รวมทั้งสายสําหรับสะพายคล้องบ่า 12. บสง่งอนุ ญ, ญาตให้ทานน้ามันที่ศีรษะเมื่อเป็นโรคร้อนศีรษะและอนุญาตให้นัดยาและกล้องยานัดแต่กล้องยานัดห้ามใช้ที่ทําด้วยทองเงินหรืองดงามแบบของคฤือหัดส่งอนุญาตกล้องยานัดที่มีหลอดคู่ส่งอนุญาตให้สูตรควันของยาทางจมูก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 2. ถ้าเป็นข้าวยาคูแบบข้นมีเนื้อข้าวมากที่เรียกว่าโภชยาคูซึ่งฉันได้อิ่มถ้ารับนิมนต์ฉันที่อื่นไว้ห้ามฉันยาคูชนิดนี้ของผู้อื่นก่อนไปฉันในที่นิมนต์ 3. ทรงแสดงธรรมโปรดเวรัตตะกัจจานะผู้ถวายงบน้ำอ้อยแก่ภิกษุทั้งหลายให้ได้ดวงตาเห็นธรรม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 ส่วนงบน้ำอ้อยก็คือน้ำตาลที่ทําจากน้ำอ้อยเคี่ยวจนข้นเสด็จแสดงธรรมที่ปาตาริคามและโกติคามพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากกรุงราชคฤื้ไปยังปาตาริคามทรงแสดงธรรมโปรดอุบาสกชาวปาตาริคามเรื่องโทษแห่งศิลวิบัติคือความบวกคล้องแห่งศีลของผู้ทุศีล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 จะดินผู้ปรุงน้ำปานะมาถวายน้ำปานะคือน้ำดื่มจากผลไม้จึงทรงอนุญาตน้ำปานะแดอย่างคือ 1. น้ํา้ำมะม่วง 2. น้ำชมพู่หรือน้ำว่า 3. น้ำกล้วยมีเมล็ด 4. น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด 5. น้ำมะซัง 6. น้ำลูกจันทร์หรือองุ่นเ